เจ็บมาจนไม่รู้กิ่ทีใจดวงนี้ช้ำมากอี่หนแปลกที่ใจยังฟื้นยังทนดนเขาทิ้งเท่าไรไม่จังจะเคยชวนไปไหน แค่ไม่กี่คำแต่สุดท้ายก็โดนเขาทำแล้วก็ช้ำคนเดียวทุกทีใจคนเดาบางทีก็เหงากันไปจนไม่คิดอะไรให้ดีพอมีคนมานลอใครรักเลยเจ็บแบบนี้ Oh, อ้ใจอายแล้วจะทำฉันได้แล้วจะห้ามได้อย่างไรโอ้โหเหนื่อยจริงนะที่มีใจเรื่อยเปื่อยแล้วต้องามอยู่เรื่อยไปเมื่อไรใจจะเลิกง่ายสักทีไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเลยใจจะอายรู้ ไปเขายืา่หยีไม่สงสารตัวเองหรือไงฮะได้เมื่อวันพุงนี้ยังมีชีวิตนี้นั้นยังมีไกลเ จ, จ็บก็จาไม่มันขึ้นใจไม่ต้องช้ำคางเดียวทางปีใจคนเราบางทีก็เหงากันไป ใครก็รักจะใครก็รักโอ้โอใจอ้ยแล้วจะทำฉันได้ ใจคนเราบางทีก็เงากันไปจนไม่คิดอะไรให้ดีพอมีคนมานลอใครรักเลยเจ็บแบบนี้แ yeah, ย yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. ่าแย่าแย่จะใครก็รัก hey. oh, จะใครก็รักฮ่โอ้ใจร้ยแล้วจะทำฉันได้แล้วจะทำได้อย่างไร ไปเมื่อไรใจจะเลิกายสักทีโอ้ใจเอ้แล้วจะทำฉันได้แล้วจะห้ได้อย่างไรว้าวเขาเมื่อยจริงน้าที่มีใจเรื่อยเปื่อยแล้วต้องจำอยู่เรื่อยไปเมื่อไรใจจะเลิกายสัก